กองทัพธรรม ธรรมอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเทศนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่18เรื่องชัมพุปริพาชิกาเสียงเป่าเขาสัญญาณดังขึ้นเมื่อยามรุ่งอรุณของวันที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องหมายว่ากระบวนเกยนอันเดินทางผ่านเมืองต่างๆมาในระยะไกลจะเคลื่อนที่ต่อไปอีกเมื่อได้ตัดผ่านทุ่งหญ้านอกเมืองสาเจตกับผ่านป่าตานไปได้ไม่นานนักกระบวนเกวีย น, น, ก, นก็บ่หน้าไปตามแนวทางเลาะตามลำน้ำอจิรวดีอันมีทัศนียภาพน่ารื่นรมมุ่งหน้าขึ้นสู่ทิพอุดรมีมหานครสาวัตถีเป็นที่หมายดังได้สดับมา ขุนเขาหิมะผ่านอันตั้งอยู่ทางทิศอุดรแห่งแคว้นโกศลที่มีหิมะตกอยู่เสมอจึงได้นามดังนั้นและโดยที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นพืชยาวเหยียดไปสุดลูกตาจึงเท่ากับเป็นแหล่งกักน้ำอันไพศาลจนกระชั่งมีคำกล่าวว่าขุนเขาหิมพ่านนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งลาน้าทั้งหลายที่หล่อเลี้ยงชมพูทวีป นับจำนวนร้อยลำน้ำเหล่านั้นที่นับว่าสำคัญมีอยู่สิบสายคือคงคายมุนาอจิรวดีสรพูมหีสินทุสรสดีเวตรดีวิตังสาและจันทภาคาแต่ถึงอย่างนั้นลำน้ำทั้งห้าข้างต้นคือคงคายมุนา อจิรวดีสระพูและมหีก็ น, นับว่ามีความสำคัญมากกว่าเพราะเมื่อคนทั้งหลายกล่าวถึงแม่น้ำที่สำคัญก็ามักกล่าวรวมๆกันว่าปัญจมหานทีเมื่อห่างจากตัวเมือออกไปมากเข้าหมู่บ้านก็ห่างลงมีเสียงนกร้องแข่งกับเสียงกระดึงที่คอโคและเสียงล้อเกวียนเป็นระยะระยะนา น, น, าน จะมีเรือล่องมาตามลำน้ำสักหมู่หนึ่งแต่บางครั้งที่ล่องลงมาลำเดียวก็มีสองฝั่งน้ำมีต้นไม้ขึ้นเขียวชะอุ่มบางต้นก็มีเถาวันขึ้นปกคลุมดูเป็นระยงระยางครึ้มน่าเจริญตากระตายป่าสองตัววิ่งตัดหน้ากุเอียนนำขบวนหายเข้าไปในโดงไม้ข้างทางแม้สายแล้วก็ยังได้ยินเสียงชนีร้องกล้องมาจากฝั่งโน้น ของลำน้ำอากิระวดีไกลออกไปทางต้นน้ำด้านอุดรยังมองเห็นหมอกสีขาวๆปกคลุมคุนเขาและแนวไม้แม้ดวงตะวันโผล่พ้นทิวเขาขึ้นมามากแล้วแต่แสงก็ยังไม่กลาดกล้าขบวนเกวียนของรุ่หน้าต่อไปอย่างไม่รีบร้อนเมื่อได้ค้างแรมในระหว่างทางและเคลื่อนที่ออกรอนแรมมาก็ถึงทุ่งนอกเมืองสาวัตถีในเวลาเยน็น ต่อวันรุ่งขึ้นจะเข้าภายในเมืองทางประตูด้านทักษิณส่วนภิกษุสงฆ์ซึ่งเดินทางร่วมมาด้วยกับทั้งนิครนก็เข้ามาลาทนิยะผู้กำลังสั่งพักแรมอยู่ณทุ่งนอกเมืองนั้นทนิยะแสดงคารวะและสงท่านเหล่านั้นผู้แยกย้ายไปสู่สำนักสถานที่มุ่งหมายแห่งตนตรงท้องทุ่งที่กระบวนเกวนทนิยะจอดอยู่นั้น ไม่ไกลจากเชตวนารามมากนักแม้ทนิยะจะรู้ว่าขณะนี้สมเด็จพระบรมศาสดายังคงพำนักอยู่ณที่นั้นก็ได้แต่ถวายนมัสการทางทิศ ท, ที่ตั้งแห่งพระเชตวันเพราะจะต้องเคลื่อนหมูเกวียนเข้าสู่พระนครให้เรียบร้อยก่อนจึงจะหาเวลาว่างไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาได้ ในวันรุ่งขึ้นเมื่อหุงหาอาหารพระประชานเสร็จแล้วทนิยะก็สั่งให้ออกเดินทางเข้าประตูเมืองด้านทักษิณนั้นคร้านจัดระเบียบเกวียนค้าเกวียนสเสบียงเกวียนคุ้มกันเรียบร้อยแล้วจึงได้เปิดติดต่อกับคนค้าทั้งหลายผู้มาแต่ร้านตลาดและบุคคลอื่นๆผู้สนใจในสินค้าพื้นเมืองแขวนกาสีกับที่ซื้อมาพิเศษจากแควนมคตและวัดชีสินค้า ที่ซื้อมาจำหน่ายจากแคว้นวัชชีนั้นคือผ้าสีดอกต่างชนิดเพราะชาววัชชีเป็นผู้รักการแต่งตัวประดิษฐ์สิ่งงดงามต่างๆทนิยะได้แนะนำให้สุรเสนะดูแลการค้าและรู้จักการติดต่อกับชาวตลาดว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรณที่ไรเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมาในเมืองต่างๆซึ่งผ่านมาแล้วบ่ายวันนั้นขณะที่สุรเสนะ นำคนขับเกวียนให้ช่วยกันขนเครื่องหอมและผ้าซึ่งชาวตลาดผู้หนึ่งตกลงซื้อไว้เป็นจำนวนมากไปส่งจนถึงที่กลับมาในระหว่างทางได้เห็นเด็กๆ ก, กลุ่มหนึ่งพากันมุงล้อมกล่องทรายก็แวะเข้าไปดูขณะเดียวกันนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งสูงอายุเดินผ่านมาก็ถามเด็กว่ามุงดูอะไรกันเด็กคนหนึ่งชี้ให้ดูจิงไม้ว่าอันปักอยู่ นักกองสายนั้นแล้วก็นิ่งอยู่พิสษรรูปนั้นจึงถามต่อไปอีกว่าหมายความว่ากะไรเด็กนั้นตอบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งผ้าขาวถือเพศปริภาชิกาเป็นคนพูดเก่งเที่ยวท้าโต้ตอบกับคนทั้งหลายด้วยการปักจริงไม่ว่าไว้ผู้ใดถอนออกจากที่ปักก็หมายความว่าจะต้องโต้ตอบด้วย ไปพูดที่ไหนก็ไม่มีใครสู้ได้ณนะที่นั้นมีชายกลางคนคนหนึ่งแวะมาด้วยก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่านางปริภาชิกาผู้นี้เดินทางมาจากเมืองสาเกตแต่ได้ขึ้นไปทางเหนือของเมืองสาวัตถีก่อนเที่ยวท้าโต้ตอบและแสดงวาทะของตนมีผู้ชมเชยกันมากว่าสามารถหาที่เปรียบได้ยากใช่นางจะฉลาดในวาทะเท่านั้น แม้ในทางรูปสมบัติก็เป็นหญิงผู้งดงามอย่างยิ่งประมาณอายุสัก20ปีหรืออาจไม่ถึงขณะนี้ชะรอยนางจะเข้าไปในหมู่บ้านภิกษุผู้สูงอายุได้ฟังจึงสั่งให้เด็กๆให้ถอนจริงว่าออกจากกองทรายเด็กๆต่างก็เจียงกันไม่กล้าแต่ต้องจริงไหมว่านั้นต่อเมื่อภิกษุนั้นรับรองว่าท่านจะรับผิดชอบเป็นผู้โต้ตอบเอง เด็กคนหนึ่งจึงวิ่งเข้าไปที่กองทรายกระชากกิ่งว่าฟาดลงกับพื้นทันใดนั้นพอดีปริภาชิกาสาวเดินออกมาจากหมู่บ้านมีบริขารเครื่องใช้ประจำตัวอันห่อพับไว้เป็นระเบียบไม่มากนักสุรเสนต้องแลดูด้วยความหลากใจในความงาม ความกล้าหารของสตรีผู้ยังอยู่ในวัยสาวเห็นป่านนี้และนึกเดาในใจว่าที่ต้องเดินทางไปสู่แพนต่างๆได้เช่นนี้ชะรอยจะคอยโอกาสโดยสารคนค้าชาวเกวียนหรือเรือโดยสารซึ่งขึ้นล่องอยู่ตามลำน้ำอัจิรวดีเป็นมั่นคงไม่เช่นนั้นก็เป็นที่น่าเกรงเหลือเกินว่าจะถูกล่วงเกินข่มเหงในระหว่างทางแต่วิสัยของคนมีปัญญา ก็คงรู้จักรักษาตนเองให้ปลอดภัยได้นางเห็นจริงว่าถูกกระชากลงเช่นนั้นก็นึกว่าเด็กๆซุก ส, สนกระชากลงมาเล่นจึงแสดงอาการไม่พอใจและดูว่ากระชากลงมากันทำไมเมื่อเด็กชี้ไปที่ภิกษุผู้สูงอายุรูปหนึ่งนางก็คาดการได้ทันทีว่าบัดนี้ได้พบผู้โต้อตอบบาทะแล้วก็มีความยินดี เหมือนหนึ่งผู้กระหายน้ำได้พบฐานน้ำใสสะอาดจืดและเย็นสนิทควรที่จะลงดื่มและอาบให้ผาสุกนางได้เชื้อเชิญพิสูตรรูปนั้นด้วยอาการอันดีให้หาที่นั่งเหมาะสมเพื่อจะได้ลาดนิสีธนสันทัดลงสำแดงวาท่าต่อกันขณะนั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันมามุงดูมากคล้ายดูมหาระพ เมื่อภิกษุผู้สูงอายุและนางปริภาชิกาผู้ถือจริงว่าเป็นเครื่องหมายจึงมีชื่อเพิ่มออกไปอีกว่าชัมพุปริภาชิกานั่งลงบนอาสนะแห่งตนเรียบร้อยแล้วนางก็ได้เริ่มวาทธเป็นปริคถาคำเรียบเคียงขึ้นทันทีว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญรพระพเจ้าชัมพุปริภาชิกาได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง และได้พบคู่โต้อตอบมาก็มากแล้วเช่นเดียวกันยังไม่เคยพบผู้มีความรู้เป็นที่พอใจของพระพเจ้าเลยวันนี้ได้มาพบท่านผู้เจริญจึงหวังว่าเราจะได้โต้อตอบกันให้เป็นที่สำราญในอัดปัญหาอันลึกซึง้งดูก่อนปริภาชิกาภิกษุผู้สูงอายุพูดขึ้นข้าพเจ้าหาได้ถนนตนว่า เป็นผู้มีความรู้สูงในการที่จะโต้อตอบกับท่านไม่มีแต่ความสนใจที่จะได้รู้อะไรในธรรมะชั้นสูงมาแต่หนุ่มจนบัดนี้แม้ความรู้ของข้าพเจ้าอาจจะไม่สูงพอจะโต้อตอบกับท่านได้แต่อย่างน้อยก็อาจจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆบ้างเพราะฉะนั้นแม้ข้าพเจ้าจะแพ้ท่านในการโต้อตอบก็จะถือว่าเป็นการได้กำไรในข้อ ที่จะได้ความรู้ที่ตนยังไม่รู้เพิ่มขึ้นอีกเพียงถ้อยคำอันแหลมคมของภิกษุผู้สูงอายุนางชัมพุปริภาชิกาก็เริ่มรู้สึกว่านางอาจจะต้องเผชิญกับคู่โต้ตอบที่นางจะโหมผักด้วยวาทะให้พ่ายแพ้ดังคนทั่วไปได้ไม่ง่ายนัก แต่เมื่อยังไม่ทันได้เข้าถึงปัญหาอันลุ่มลึกเชไหนจะรู้สติปัญญาและความสามารถของกันและกันได้ชิดดังนั้นแล้วนางจึงเริ่มขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีอายุนานเท่าไหร่ดูก่อนปริภาชิกาหนึ่งปีก่อนโลกเกิดนี้นับมาจนถึงวันนี้ได้กี่ปีท่านจงนับดู แล้วตัดออกเสิ้นหนึ่งปีนั่นแหละอายุของโลกนี้ท่านจะนับให้ข้าพเจ้าทราบเองได้เม่เล่าขอให้ท่านตอบมาก่อนว่าท่านนับไม่ได้จะรู้กันว่าพอเริ่มต้นวารทะท่านก็จำนวนแล้วภิกษุผู้สูงอายุกล่าวตอบอาละเป็นอันว่าข้าพเจ้าจะถามปัญหาท่านใหม่อีกต่อไปนางชัมพปริพาชิการีบเลี่ยงด้วยเกรงจะเสียชื่อว่าเป็นผู้แพ้ในวาทะ โลกนี้เกิดมาเองหรือมีผู้สร้างดูก่อนปริภาชิกาคำว่าเกิดเองถ้าท่านหมายความว่าเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุอยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นดังนี้โลกนี้ก็ไม่ได้เกิดเองคำว่ามีผู้สร้างถ้าท่านหมายถึงใครผู้หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์อำนาจอาจสร้างสรรสิ่งทั้งปวงได้โลกนี้ ก็ไม่ได้มีผู้สร้างท่านผู้เจริญเมื่อท่านปฏิเสธทั้งสองทางว่าโลกไม่ได้เกิดเองและไม่ได้มีผู้สร้างแล้วโลกนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าดูก่อรปริภาชิกาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆแต่คำว่าเหตุปัจจัยในที่นี้ไม่จาเป็นต้องหมายถึงผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมาสร้างสารรค์ดนบันดาลการที่ใบไม้ผลิหรือใบไม้หล่นไม่จำเป็นต้องมีผู้มาดนบันดาลชันใดการเกิดขึ้นการทาลายไปแห่งโลกก็เป็นฉันนั้นสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปนตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าธรรมดาการกล่าวอย่างนี้หมายความว่าท่านไม่เชื่อว่ามีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกอย่างนั้นหรือ ถ้าข้รพเจ้าจะเชื่อในพระพรหมก็หาเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อไม่มนุษย์ทุกคนอาจเป็นพระพรหมได้ถ้าตั้งอยู่ในคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือผู้มีใจสูงคือเมตตามีเมตตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขหนึ่งกะรุณาสงสารใครจะให้ผู้ตกทุกข์พ้นทุกหนึ่งมุทิตาพรอ ย, ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหนึ่งอุเบกขา รู้จักวางใจเป็นกลางคือวางเฉยมั่นคงในเมื่อผลวิสัยที่ควรจะแสดงความรู้สึกทั้งสามข้างต้นหนึ่งและถ้าจะถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างแล้วครับพระเจ้าก็เชื่อว่าพระพรหมนี้ก็คือตัวของมนุษย์แต่ละคนที่สร้างได้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้แก่ตนเองใครขยันขันแข็งประกอบการงานอาชีพ หรือคุณงามความดีผู้นั้นก็สร้างความเจริญให้แก่ตนได้ใครเจียดคร้านหรือพระพื้นตัวไปในทางชั่วช้าเสียหายก็เป็นผู้สร้างความพินาศฉิบหายให้แก่ตัวเองหาใช่พระผมลึกลับอย่างอื่นที่ไหนไม่ท่านผู้เจริญท่านกําลังคัดค้านความเชื่อถืออันดีมาแต่โบราณการที่ว่าพระพมเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอานาจสร้างสรรค์สากลโลก พร้อมทังมนุษย์และสัตว์มายึดมั่นแต่ความเห็นของตนเองดังนี้ถึงอย่างไรก็มีใช่ความเห็นที่มีน้ำหนักดังที่คนโบราณเคยเชื่อถือกันมาเพราะผู้ที่เชื่อตรงกันข้ามกับท่านนั้นมีมากกว่าและเชื่อกันมานานแล้วด้วย ดูก่อนปริภาชิกาความถูกกับความจริงนั้นหาได้เกิดขึ้นอยู่กับเจการเวลาหรือกลุ่มชนใดๆไหมการเชื่อตำตามกันอย่างไม่พิจารณาเหตุผลเสียอีกย่อมไม่ผิดอะไรกับคนเสียจากสุจูงคนเสียจากสุแม้จะจูงกันไปเป็นแถวยาวหรือมีจำนวนมากเพียงไรก็ไม่ช่วยให้เห็นทางจมแจ้งได้ดูกนปริภาชิกา ในชนบทบางแห่งมหาชนนับถือลิงว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์พิเศษจึงพากันบูชาลิงบางแห่งถือว่างูหรือนาคเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็พากันบูชางูหรือนาคนั้นถ้าท่านพระันไปสู่ชนบทเห็นป่านั้นจะไม่ต้องบูชาลิงและงูไปด้วยหรือเพราะคนพื้นเมืองย่อมมีจำนวนมากกว่าท่านและเชื่อกันมานานแล้วถ้าท่านถือหลักเจน ความเชื่อถือตามๆกันเป็นประมาณท่านผู้เจริญท่านคอยตอบให้คำของข้าพเจ้าไปก็แล้วกันบัดนี้ข้าพเจ้าจะถามท่านต่อไปอีกมีเจ้าระทิบบางคนในโลกนี้สอนว่าเราไม่ควรเชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะบางครั้งทำดีไม่มีคนรู้คนเห็นก็ไม่ได้ดีหรือทำชั่วถ้าไม่มีใครรู้เห็น ก็ไม่ได้ชั่วเช่นเดียวกันบางครั้งคนโกงได้ดีและบางครั้งคนซื่อสัตย์กลับยากจนอย่างนี้ท่านจะเห็นอย่างไรดูก่อนปริภาชิกาเรื่องนี้มีข้อความพิจารณาอยู่มากหลายโดยปกติการทำดีทำชั่วย่อมให้ผลถูกต้องตามเหตุผลคือทำดีก็ได้ดีและทำชั่วก็ได้ชั่วแต่บางครั้งบุคคล ทำไว้ทั้งสองอย่างเพราะที่ปรากฏอาจซับซ้อนจนทำให้เห็นเป็นสับสนไปก็ได้และบางครั้งก็เนื่องด้วยการเวลาที่พืชผลต่างชนิดที่ปลูกพร้อมๆกันก็ยัางงามผิดผลเร็วช้าผิดแพกกันเป็นเดือนๆ เ, เป็นปีๆเพราะเป็นไปตามลักษณะของพืชชนิดนั้นๆกรรมดีกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันเมื่อให้ผลเร็วช้ากว่ากัน ก็อาจทำให้คนเข้าใจผิดคิดไปว่าบางอย่างก็ให้ผลบางอย่างก็ไม่ให้ผลข้าพเจ้าจะแบ่งประเภทชี้แจงเป็นข้อๆไปเพื่อท่านจะได้เข้าใจในข้อนี้โดยส่วนมากเราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปว่าคนทำดีย่อมได้ดี คนทำชั่วยอมได้ชั่วทั้งนี้เพราะไม่มีปัญหาอย่างอื่นอันซับซ้อนทำให้เห็นสับสนไปดังหเห็นได้เช่นคนผู้อยู่เป็นผาสุกเป็นที่รักของคนทั้งหลายมักจะเป็นผู้ทำความดีส่วนคนผู้มีความเดือดร้อนอยู่เสมอเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไปต้องเที่ยวหลบหลีกการจับกลุ่มลงโทษหรือมีเรื่องให้ผู้อื่นโจดท่วงอยู่เนืองนิด ก็เพราะทำชั่วโดวยปกติเช่นผู้ร้ายและนักเลงทั้งหลายในรายที่ว่าบางครั้งทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเราก็จะต้องพิจารณาว่าเขาทำดีด้วยบริสุทธิ์ใจหรือมีความโลภแฝงอยู่เบื้องหลังเพราะบางครั้งผู้มีความโลภแฝงอยู่ทำความดีเพียงเล็กน้อยก็มานั่งทวงผลดีคล้ายกับคนที่หวานข้าวในวันนั้นก็ทว ง, จงใจข้าวออกรวง ให้เห็นผลทันใจหรือบางคนทำความดีอย่างมีความโกรธเจียปนเช่นสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนใครก็ผสมความโกรธลงไปในคำพูดว่ากล่าวตักเตือนนั้นแม่เรื่องที่ตนตักเตือนว่ากล่าวจะเป็นเรื่องที่สมควรบางครั้งผู้ได้รับตักเตือนก็หาเชื่อฟังหรือเคารพนับถือไม่เพราะเมื่อเขารู้สึกว่าผู้พูดมีความโกรธเป็นเพื่อนของใจ ก็อาจโกรธตอบหรือไม่สนใจฟังคำตักเตือนนั้นหรือบางครั้งเมื่อมีผู้ขอความช่วยเหลือแต่บุคคลบางคนช่วยอย่างมีอาการไม่พอใจหรือมีความโกรธแฝงอยู่จะให้อะไรก็ให้อย่างไม่เต็มใจแถมพูดประชดหรือค่อนขอดผู้รับแทนที่จะสำนึกในบุญคุณก็กลับโกรธขึ้นไม่พอใจดังนี้ก็มีหรือไม่อย่างนั้นบางคน ทำความดีอย่างแฝงความโง่ไว้บางครั้งก็สำคัญความชั่วว่าเป็นความดีหรือเพราะเหตุที่มีความโง่ความหลงเป็นภาคพื้นของ จ, จิตใจจึงไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักประชุมชนและไม่รู้จักบุคคลเมื่อทำอะไรลงไปก็นึกว่าดีแต่ขัดกับเหตุผลตนเองตลอดจนขัดกับประมาณ ขัดกับการเวลาขัดกับประชุมชนและขัดกับบุคคลก็ยากที่จะให้เกิดผลดีได้ดังนี้จะโทษว่าทำความดีไม่ได้ดีก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงต้องไม่มีความโง่เจือปนอยู่ด้วยจึงจะได้รับประโยชน์แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความไปถึงการเลือกทำความดีเฉพาะให้คนรู้คนเห็นขึ้นชื่อว่าความดีแล้ว ใครเห็นหรือไม่ก็ตามเมื่อตอนกระทำลงไปด้วยกายวาจาใจความดีนั้นก็ปรากฏที่กายวาจาใจและตนย่อมรู้สึกช่ำชื่นเบิกบานตั้งแต่ในขณะที่ทํานั้นทั้งคุณความดีนั้นจะชุบย้อมอัธยาศัยใจคอของผู้ทาให้ดีขึ้นเสมอเป็นการประทับความดีลงไปที่กายวาจาใจในระยะแรกที่ทําลงไปแม้ไม่มีใครเห็น ก็คงเป็นความดีอยู่นั่นเองเมื่อความดีมีมากก็ทําให้กิริยาทั้งปวงซึ่งแสดงออกโดยปกติของบุคคลซึ่งมากไปได้วยความดีนั้นน่าดูน่าชมเป็นที่ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยประการตรงกันข้ามผู้ทําความชั่วก็จะถูกความชั่วราดรสกายวาจาและใจตั้งแต่ระยะแรกที่ทําแม้ไม่มีใครรู้เห็นตนเองก็รู้เห็น และเมื่อทำจนเคยชินหนักขึ้นกายวาจาใจของตนก็เป็นที่ปรากฏแห่งความชั่วนั้นใครได้คบหาใกล้ชิดก็จะประจักษ์ในอุปนิสัยสันดานในมิชา้าในชั้นแรกตนอาจเคลือบย้อมกิริยาให้คนอื่นสำคัญผิดว่าเป็นคนดีได้แต่พวันเวลาล่วงไปไม่นานนักความจริงก็จะปรากฏให้เห็นเป็นที่สังเกตได้ว่าที่แท้นั้น ตนคือคนชั่วเลวนั่นเองอีกประการหนึ่งในขณะที่ความชั่วยังไม่ให้ผลความชั่วคนชั่วอาจนึกว่าทำชั่วไม่เป็นไรหรืออาจเป็นดีไปเลยทั้งนี้ก็ตามทีแต่พอความชั่วแสดงผล เขาก็เริ่มทอดถอนใจและพยายามวิ่งเต้นด้วยประการต่างๆเพื่อที่จะให้ผลร้ายนั้นระงับไปดูก่อนปริภาชิกาถ้าท่านจะสังเกตดูให้นานๆแล้วคนชั่วจะไม่เจริญอยู่ได้ยั่งยืนเลยในที่สุดก็จะพินาศไปเพราะความชั่วของตนเองส่วนความดีนั้นแม้จะตกต่ำบ้างในบางครั้งแต่ในไม่ช้าก็จะส่งตัวเอง ให้สูงขึ้นได้ด้วยความดีของตนด้วยเหตุนี้ผลของกรรมดีกรรมชั่วจึงยังต้องมีอยู่โดยแท้ขณะนั้นมหาชนก็หลุมร้องเข้ามาฟังและดูพระเถระกับปริภาชิกาสาวโต้ตอบวาทกันมากขึ้นแต่เนื่องจากเป็นเวลาเย็นนางปริภาชิกาจึงได้ขอเลื่อนให้มากล่าวตอบโต้วาทกันใหม่ในวันพรุ่งเวลาบ่ายพระเถระรับคำก็จากไป ส่วนชัมพู ป, ปริพาชิกาก็ออกจากที่นั้นไปพำนักยังอารามของพวกปริพาชิกาอันถือละที่เดียวกับตนแต่ก็ไม่วายแปลกใจในความแหลมหลักของพระเถระรูปนั้นซึ่งจนบัดนี้ตนก็ไม่รู้ว่าคือใคร โต้อตอบของจมพุปริภาชิกากับภิกษุผู้สูงอายุแห่งสาวัถีกลายเป็นที่น่าสนใจของคนเป็นจำนวนมากต่างก็คอยวันและเวลาซึ่งกาหนดหมายไว้ว่าคนทั้งสองนั้นจะโต้อตอบกันอีกไม่ต้องกล่าวถึงสุรเสนะก็ได้ว่าจะตื่นเต้นเพียงไรในเหตุการณ์ที่ตนประสบในบ่ายวันนั้นเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านเกวียนก็เล่าความให้ท่านบิดาฟังทุกประการ ธนิยะแสดงความดีใจจนเห็นได้และกล่าวกับสุรเสนาว่าวันพรุ่งนี้ตนจะไปร่วมฟังด้วย